เสียงอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สองพระวินัยปิฎกเล่มที่สองมหาวิพังภาคสองหน้าที่เจ็ดร้อยเจ็ดทับเจ็ด้อยสิบเจ็ดข้อที่แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องภรรยาของบุรุษจันทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภรรยาของบุรุษจันทานคนหนึ่งในพระนครพาราณสีได้ตั้งคัน นางได้บอกแก่สามีว่านายดิฉันกำลังตั้งครรภ์ดิฉันอยากรับประทานมะม่วงสามีตอบว่ามะม่วงไม่มีเพราะไม่ใช่นามะม่วงนางกล่าวว่าถ้าไม่ได้รับประทานดิฉันจะตายสมัยนั้นต้นมะม่วงของหลวงมีผลไม้ววยมีอยู่ต้นหนึ่งวุรุจจันทานนั้นเดินเข้าไปที่ต้นมะม่วงนั้น ครั้นแล้วได้ขึ้นไปแฝงอยู่บนต้นมะม่วงนั้นพอดีพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จไปถึงต้นมะม่วงนั้นครั้นแล้วประทับนั่งบนพระราชอาจสูงทรงเรียนมนกับพรามปุโรหิตปรุจจันทานคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ประทับนั่งบนพระราชอาจสูงเรียนมนชื่อว่าไม่เคารพธรรมและพระามคนนี้นั่งบนอาสนะต่ำสอนมนแก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบนพระราชอาจสูง ก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมส่วนเราผู้ลักมะม่วงของหลวงเพราะเหตุแห่งสตรีก็ชื่อว่าไม่เคารพธรรมเหมือนกันแท้จริงการกระทำทั้งนี้ล้วนตาสาทั้งนั้ น, น, นดังนี้แล้วไต่ลงมาณระหว่างพระเจ้าแผ่นดินและพราหมณ์ทั้งสองนั้นแหลแล้วกล่าวคาถาขึ้นว่าดังนี้ทั้งสองไม่รู้อัดทั้งสองไม่รู้เห็นธรรม คือพรามผู้สอนมนต์โดยไม่เคารพธรรมและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเรียนมนต์โดยไม่เคารพธรรมพรามนั้นกล่าวคาถาดังนี้เพราะข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันข้าวสะอาดผสมกับแกงเนื้อข้าพระเจ้าบริโภคแล้วฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่ได้ประพฤติอยู่ในธรรมที่เหล่าพระอริยะสรนเสริญแล้วบุรุษจันทานนั้นได้กล่าวสองคาถาว่าดังนี้ ท่านพรามเราติเตียนการได้ทรัพย์และการได้ยศเพราะนั่นเป็นการเลี้ยงชีพโดยความเป็นเหตุให้ตกตรมและเป็นการเลี้ยงชีพโดยทางที่ไม่ชอบทำจะประโยชน์อันใดด้วยการเลี้ยงชีพเชนั้นท่านจงรีบออกไปเสียเถิดท่านมหาพรามแม่สัตว์ที่มีชีวิตอย่างอื่นเหล่าอื่นก็ยังหุหากินได้ความอธรรมที่ท่านได้ประพฤติมาแล้วอย่าได้ทาลาย ท่านดุดก้อนหินทำลายหมอน้ำฉะนั้นอ่านโดยใจแผ่นหมอกจาง